ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับธรรมะธรรมะเนี่ยเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจที่เรียกว่าเป็นที่พึ่งอันเกษรรมโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติเนี่ยถือว่าเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากท ร, ร ม, มีอุปการะมากก็คือสติสัมปชัญญะเนี่ยเราจะต้องสแสวงหาให้มีขึ้นในจิตใจเรามากๆ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 รู้เท่าทันเอาไว้ต้องฝึกให้ชำนาญฝึกมีสติตามรู้กายรู้จิตให้ชำนาญเราจะได้ไปไปฏิบัติที่ไหนก็ได้อุปมาหนว่าเราขับรถไม่เป็นแต่ต่อมาเราฝึกจนขับรถเป็นเราก็ไปขับรถที่ถนนไหนก็ได้